ขณะที่นั่งขณะที่ฟังอยู่นี้เราก็ ว, า, วางเอาไว้จ้วกคังขข้งจ้วกครั้งจึงวางไม่ได้ก็อดหยุดคิดหยุดปุงหยุดแต่งดับความกังวลดับความหงุงหงินต่างๆเอาไว้ให้หมดด้วยการระลึกรู้สัมผัสท้องลมหายใจเข้าออกของตัวเราฟังไปด้วยน้อมสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆให้ทัวด้องกระสองสามเที่ยวความคิดต่างๆก็จะหยุดไป ความกังวลความพุ่งสร้างต่างๆก็จะหยุดแล้วก็สัมผัสท้องลมหายใจความระลึกรู้สัมผัสท้องลมหายใจอยู่ที่ปลายจ ม, มูกของเราก็จะเด่นชัดนัด่นแหละเราพยายามสร้างความระลึกรู้ตรงนี้ให้เกิดความเคยชินเนื่อจะตื่นขึ้นมาถ้าเราหมันฝักไปหมันสดใจเรารู้จักวิธีอการสร้างความรู้สึกรับรู้ที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้ ถ้าความรลึกเรา ร, รู้ทั้งเผยเราก็เริ่มใหม่ถ้าคนเรารู้จักสร้างรู้จักทำไม่จําเป็นต้องไปพูดไปฝังอะไรเลยรู้ไม่เท่าทันจิตเราก็รู้จักตัดรู้จักควบคุมอะไรคือความระลึกรู้ที่เราสร้างขึ้นมาส่วนการเกิดการดับของจิตนั้นเขาก็เกิดเกิดดับดับทั้งเกิดด้วยทั้งหลงด้วยจาไมถึงว่าหลงเพราเรายัางคลายจิตออกจากขันท่าออกจากความคิดไม่ได้ก็ยังหลงอยู่บางทีก็หลงอยู่ในกองโบนบางทีก็ ส่งออกไปภายนอกเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างเรื่องอดีตเรื่องอนาคตสารพัดเรื่องใหม่ๆก็อาจจะอึดอัดอาจจะสับสนถ้าเราเข้าใจแล้วรู้จักน้อมเข้าไปดูแล้วจะสนุกสนุกในการดูสนุกในการรู้ว่าจิตของเราเป็นธาตุของอารมณ์ได้อย่างไรจิตของเราเป็นธาตุของกิเลสได้อย่างไรความคิดมาปรุงแต่ ง, งจิตของเราจิตของเราเป็นหลงไปรวมจนเป็นตัวเดียวกันได้อย่างไรนี่แหละ เรารู้อยู่เมื่อจิตของเราเข้าไปร่วมกับความคิดแล้วก็เลยทําตามความคิดทําตามอารมณ์มันหลงอยู่ในความคิดตรงนั้นยุบหลงว่าอัตตาโตตนกายของเราจริงๆในทางสมมุติเป็นของเราจริงๆแต่ในทางวิมุติในทางหลักธรรมนั่นคือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เก็บเป็นโน่นเป็นนี่ถึงวาระเดี๋ยวก็ตายอันนี้ส่วนรูปธรรมส่วนนามธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตรงนี้แหละเราก็ไม่เข้าใจเพราะว่าขาดกําลังสติที่จะเข้าไปเจาะชอนชัยสังเกตเจเกะให้คลายออกกันเรารู้อยู่เมื่อตั้งแต่เขาคิดแรล้วเราก็ทําตามความคิดอาจจะถูกอยู่ในระดับองค์สมมุติแต่ยังไม่ถูกองคหลักทับทุกเรื่องเรื่องเล็กๆ น, น้อยๆพวกเราก็ขาดการวิเคราะห์ขาดการพิจารณาดูจะไปคอยเอาตั้งแต่เรื่องจะอยากไอ้ความอยากเล็กๆน้อยๆนั่นแหละไม่ดูกัน ความอยากอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากมาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากมาแล้วก็อยากคิดอยากจะรู้ทำอยากจะได้ทำเรากำจัดความอยากเล็กเล็กน้อยน้อยออกความอยากตัวใหญ่ๆมันจะเกิดได้อย่างไรคนมีสติมีปัญญามองเห็นความอยากนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยเพียงแค่ตัวเล็กๆน้อยน้อยเนี่ยเราต้องรีบกำจัดไม่จำเป็นต้องว่าต้องไปเอาอยากตัวใหญ่ๆ่ความอยากแล้วก็ความโลภความโกรธ ความหลงถ้าเราสังเกตทันจิตของเราก็จะคลายออกจากขันธ์ห้ามก็ละความหลงวิมุตติวิปัสสนาก็จะเปิดทางให้ตามทำความเข้าใจเราก็จะเห็นการเกิดการหนับปองขันธ์ห้ารอบรู้ในกองทั้งขนันรอบรู้ในอารมณ์หน้าตาอาการเขาเป็นอย่างไรเราก็จะได้ดูเราก็จะได้รู้ตรงนี้ไม่ค่อยจะได้สนใจกันได้แก้ความบังคับจิตควบคุมจิตได้เล็กน้อยอืม อยู่ในความสงบบางครั้งบางทีเขาก็สงบอยู่แต่ไม่มีสติก็ไปสังเกตุอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเพียนความขยันมันเปลี่ยนองค์เดินระบบคนขยันมันเปลี่ยนมากเท่าไหร่ขยันมันเปลียนให้ถูกทางถูกวิธีก็จะไปได้เร็วเร็วไว้ถ้าขยันไม่ถูกทางถึงจะขยันมากมายอย่างไรก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็รู้จักสร้างธรรม ะ, ะสร้างบารมีสิ่งพวกนี้จะไปบังคับกันก็ไม่นายรกจะไป บังคับไปเจียวเค้นกันก็ไม่ได้เพราะทุกคนสร้างอา น, นิสงส์สร้างบารมีมาไม่เหมือนกันบางคนก็สร้างมามากบางคนก็สร้างมาน้อยบุคคลที่สร้างมามากมีความเทียบร้อมทั้งสติปัญญาทั้งศรัทธาทั้งวิเยะทั้งความเพียรทั้งสัจจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นให้ถูกทางมีพรมีหานมองโลกในทางที่ดีมีความเฉสละไม่เห็นแก่ตัวมองโลกในทางที่ดีให้ อนุเคราะห์โลกคือตลอดเวลามีโอกาสเราก็ช่วยช่วยทางวาจาช่วยทางกายช่วยทางใจเพียงแค่คิดก็ไม่ให้คิดอคติไม่ให้คิดชาดิชยให้อยู่ในกองบุญคิดในกองภูสุนในตลอดเวลาจิตใจของเราดีเราก็มองเห็นโลกนี้ดีไปหมดจิตใจของเราว่างเราก็มองเห็นโลกนี้ว่างไปหมดแต่ทางสมมุตินั่นมีอยู่ พยายามศึกษาค้นคว้ากันให้ถึงจุดหมายปลายทางไม่ว่าพระวโยมจีก็ต้องพยายามกันดอกมีความรักสมัสมธรมรมานธรมคีซึ่งกันและกันอย่าเจียงงอนกันมีอะไรก็ให้ช่วยเหลือกันทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสงบรับรื่นไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขไม่ใช่ว่าตั้งพ้อตั้งปจคอจับผิดซึ่งกันและกัน อย่างนั้นมีตั้งแต่ขนโง่เท่านั้นแหละ